ให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทมได้หยุดการทำงานทำการทางโลกทางร่างกายคือการทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้หนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลามาทำงานที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายให้แก่ ชาพุทธไว้กระทากันเป็นธุระหรือเป็นงานที่จะทำให้ผู้ที่ได้ปฏิบัติได้กระทาได้รับมารดกอัน้ํำค่าของพระพุทธเจ้าคือการบรรลุถึงมรรคผลนิพพาน รู้ถึงโลกุตตลธรรมที่เป็นธรรมอันประเสริฐเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดใช้ไปจนวันตายก็จะไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับทรัพย์ทางโลกที่ใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยหมดไปหมดไป เมื่อหมดไปก็ต้องคอยหามใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ที่เมื่อได้มาแล้วนี่จะอยู่กับผู้ที่ได้มาไปเรื่อยๆไม่มีวันหมด mm. เมื่อสามารถทำให้ได้ทรัพย์ทั้งหมดแล้ว คือได้ระดับนิพพานแล้วทรัพนี้ก็จะอยู่ไปกับใจไปตลอดไม่มีการที่จะต้องทำงานอะไรต่อไปแล้วงานทางโลกนี้ทำไปมากน้อยก็ไม่มีวันสิ้นสุดต้องทำไปเรื่อยๆต้องหาเงินหาทองไปเรื่อยๆพราะมีการใช้เงินใช้ทองไปเรื่อยๆอ หามาแล้วก็ใช้ไปถ้าไม่หาใหม่เดี๋ยวเงินที่หามาได้ก็จะต้องหมดไปก็จะต้องทำให้ลำบากจึงต้องคอยทาอยู่เรื่อยๆทำเนี่ยจนกว่าจะถึงความตายไปแต่งานที่พุทธเจ้าได้ส่งมอบมาให้กับชาวพุทธและงานที่พระพุทธเจ้าพระองค์เองได้ทรงกระทามานี้ เมื่อพระองค์ทำสำเร็จแล้วพระองค์ก็ไม่ต้องทำงานนี้อีกต่อไปทรัพย์อริยทรัพย์ที่ส่งได้มาก็จะไม่มีวันหมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดหลังจากที่ร่างกายของพระพุทธเจ้าตายไปแล้วทรัพย์ที่พุทธเจ้าได้สงได้ได้รับได้หามานี้ ก็จะมีอยู่คู่กับใจของพระพุทธเจ้าต่อไปทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาหาทรัพย์กันใหม่มาเวียนว่ายตายเกิดกันใหม่งานทางาศาสนาหรืองานทางธรรมนี้จึงเป็นงานที่สำคัญและเป็นงานที่มีวันสิ้นสุดลง ไม่ต้องทำไปตลอดหอเหมือนกับงานทางโลกงานทางทำรพระพุทธเจ้าทำอยู่หกปีเท่านั้นเองออกบวชตอนที่อายุยี่สิบเก้าปีแล้วก็บรรลุ ถ, ถึงพระนิพพานบรรลุเป็นพระอรหรันตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าได้รับภายในอันประเสดเวลาอายุ สาสห้า uh, ปี mm hmm. ใช้เวลาเพียง6ปีท่านเองในการสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาภายในใจพอได้อริยทรัพย์ขั้นพระนิพพานขั้นอรหัตท ร, รัพย์แล้ว mm hmm. ก็ถือว่าสำเร็จแล้วงานไม่มีงานอื่นจะต้องทำอีกต่อไปไม่ต้องไปทำมาหากินอะไรหาอะไรเพื่อมาหล่อเลี้ยงจิตใจ ไม่ต้องปฏิบัติธรรมอีกต่อไปธรรมที่ได้ปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นที่ทานที่ศีลที่สมาธิที่ปัญญางานเหล่านี้พอได้ทรัพย์เต็มที่แล้วเต็มเปี่ยมในหัวใจได้นิ บ, บานทรัพย์ได้นิ บ, บานสมบัติแล้วงานทางธรรมก็ยุติลงไม่ต้องทําอีกต่อไป จะมีทรัพย์ภายในใช้ไปตลอดอนันตการไม่ใช่เพียงแต่พบนี้ชาตินี้เท่านั้นแต่จะใช้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดและไม่ต้องกลับมาหาทรัพย์เหมือนกับทางโลกที่ตายไปแล้วทรัพย์ที่หามาได้ในชาตินี้ก็จะสูญหายไปหมดแล้วชาติหน้าก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ แล้วก็มาหาทรัพย์ทางโลกกันใหม่มาหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อจะได้เอามาใช้จ่ายเพื่อจะได้เอามาซื้อความสุขต่างๆต่อไปทาให้จะถ้าแสวงหาทรัพย์ทางโลกก็จะต้องหาไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดตายจากชาตินี้ก็กลับมาเกิดใหม่ในชาติต่อไป พอได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทำมาหากินหาเงินหาทองต่อไปเราพวกเรานี้ได้ทำอย่างนี้มาเป็นเวลาอันยาวนานหลายภพหลายชาติเพราะเราไม่รู้จักการหาอาริยทรัพย์เราไม่รู้จักการหาทรัพย์ภายในที่เป็นทรัพย์ที่ถาวร เป็นทรัพย์ที่ไม่มีวัเสือ่อมไม่มีวันหมดเรามัวแต่ไปหาทรัพย์ทางโลกกันหาโลกกับทรัพย์หาโลกกับธรกกรมหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทศพระชนิดต่างๆซึ่งเป็นลาบหรือเป็นสุขหรือเป็นทรัพย์ชั่วข้าวอยู่กับโลกนี้พ่อร่างนี้ ร่างกายนี้ตายไปใจที่ยังมีความอยากจะหาทรัพย์หาโลกกะทรัพย์อยู่ก็จะไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่หลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาป ก, ก่อนเพราะช่วงที่แสวงหาโลกกะทรัพย์นี้ก็เป็นช่วก็อาจจะมีเวลาอาจจะทำไปทำบุญบ้างไปทาบาปบ้าง คนที่ทำบาปก็เพราะว่าหาทรัพย์ยากหาลำบากด้วยวิธีที่สุดจริตก็เลยต้องหาวิธีด้วยวิธีทุจริตด้วยการทำบาปในรูปแบบต่างๆบางคนก็ใช้การโกหกหลอกลวงบางคนก็ใช้การช่อโกงรักทรัพย์บางคนก็ใช้วิธีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อจะได้มาซึ่งทรัพย์คือเงินทอง ที่จะได้เอามาใช้สอยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็ซื้อความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ mm hmm. ถ้าได้ทำบาปแล้วบาปนี้ก็จะสะสมอยู่ภายในใจและเวลาที่ร่างกายตายไปก่อนที่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะต้องถูกอิทธิพลของบาปนี้ฉุดล่างให้ไปรับใช้บาปในอาบายก่อน อาบายก็มีอยู่สี่คือสี่ภพด้วยกันภพของเดชะชานภพของเปรตภพของาสุรกายและภพของนรกนี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปไม่มีใครจะสามารถปฏิเสธได้ถ้าทำแล้ว <c oughs> บาปจะเป็นผู้ที่ <c oughs> จัดการกับดวงวิญญาณดวงนั้นหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ไม่ได้ไปรับผลบาปมีเหตุเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ไม่ไปรับผลบาป ก, ก็คือไม่ทาบาปท่าน <c oughs> ถ้าไม่ทาบาปแล้วก็ไม่ต้องไปรับผลของบาปไม่ต้องไปเกิดในอบาย <c oughs> แล้วก็บางทีเวลาที่มาทำมาหากินหาทรัพย์ภาย หาทรัพย์หาทรัพย์ทางโลกบางคนก็โชคดีหาได้มากได้มากกว่าที่ตนเองจะใช้ได้หมดก็มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอาไปแบ่งปันเอาไปแจกใจ่ายให้กับผู้อื่นไปเลี้ยงดูผู้อื่นเช่นอาจจะไปเลี้ยงดูบิดามารดาให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆ ทำบุญทำทานกับบุคคลต่างๆทำบุญกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาโลโรงเรียนอะไรต่างๆเพราะมีเงินมากกว่าที่จะเก็บไว้ใช้สำหรับตัวเองได้แล้วก็รู้ว่าตายไปเงินทองเหล่านี้ก็เอาติดตัวไม่ได้ก็เลยเอาไปทำบุญเพราะอาจจะมีคนสอนมีคนบอกว่าทำบุญแล้วไม่สูญเปล่า เพราะาบุญนี่แหละจะเป็นทรัพย์ภายในที่จะส่งให้ใจได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญทำทานนี้ก็มีอยู่หกชั้นด้วยกันเรียกว่าสวรรค์ชั้นเทพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว เรวยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่สูงกว่าการทำบุญทาทานกับการละบาปคือการไม่คือการรักษาศีลห้า<ม>ตายไปอิทธิพลของบุญก็จะส่งให้ไปอยู่บนสวรรค์หนึ่งในหกชั้นขึ้นอยู่กับว่าทำมากทำน้อยทำมากก็จะอยู่สวรรค์ที่สูงขึ้นไปมีความสุขมากขึ้นไปทำน้อยก็มีความ ก็ไปสวรรค์ชั้นต่าแล้วก็มีความสุขที่น้อยลงตามลำดับของบุญหลังจากที่ได้รับผลบุญเสร็จแล้วหรือรับผลบาปเสร็จแล้วถึงจะมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมาทะมาหาทรัพภภภย์ภายในนอกรันิดหาโลกกระทรัพย์กันนีกหาลาภยศเสริญ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโถดสภาวะชนิดต่างๆแล้วก็อาจจะต้องทำบาปบ้างหรืออาจหรือบางคนโชคดีทำหากินได้ทรัพมากกว่าที่ต้องใช้ได้ต่อที่ตันเองจะใช้ได้ก็เอาไปแจกจ่ายเอาไปทำบุญทำทานนี่ก็คือลักษณะของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณ ของผู้ที่ยงังหาสวงหาโลกกะระซั์ทั้งสี่ก็คือหาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลภภิ่นรสผพัธภาต่างๆก็จะต้องติดอยู่ในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุกติตายไปก็ไปสวรรค์กลับจากสวรรค์ลงมาก็กลับมาเป็นมนุษย์ทำมาหากินใหม่ ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติทุกขติก็คืออบายทั้งสี่นี่ตายไปก็ไปเกิดในอบายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับเหตุที่ของการทำบาปทำด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป เาคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพทำรรมาหากินทำอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเป็นต้นถึงแม้เป็นอาชีพแต่ก็ยังเป็นบาปอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นการเลี้ยงชีพของตนเองก็ยังเป็นบาปอยู่ไม่ยกเว้นพรงนี้ก็จะไปเกิดเป็นเดรชาเพะเดรฉานเขาก็ เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตเขาด้วยการค่า่าสัตว์เล็กค่าสัตว์น้อยกว่าเขานหรือรักขโมยอาหารของผู้อื่นมากินถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากจะมีมากๆก็ชอบกกงทำวิธีการทุจริตต่างๆเพื่อที่จะได้รายได้มามากๆพวกนี้ก็จะไปเป็นเปรตถ้าทำบาลด้วยความกลัว พราวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทําร้ายเขาก่อนอย่างนี้ก็จะไปเกิดเป็นอสูรกายเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวแล้วถ้าทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันก็จะต้องไปนรกดวงวิญญาณจะถูกไฟของนรกด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นนี้ เผาผลาญอยู่ไปจนกว่าจะหมดกําลังแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ในโลกเราจึงมีมนุษย์อยู่สองพวกความจริงสามพวกด้วยกันพวกที่ลงมาจากสวรรค์พวกที่ขึ้นมาจากกบายและพวกที่อยู่กลางกลางคือไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําบุญก็เป็นพวกนี้ก็มาจากจากพบก่อนเลยจากมนุษย์สู่มนุษย์ได้เลย พอไม่ได้ไปทำบุญก็ไม่ต้องไปรับผลบุญไม่ได้ทำบาปก็ไม่ได้ไม่ต้องไปรับผลบาปเราจึงมีมนุษย์ที่คุกเข้ากันอยู่สามกลุ่มด้วยกันมนุษย์ที่เป็นคนดีคนที่มีศีลมีใจบุญใจสุนทานมนุษย์ที่ชอบอทำร้ายพูดเบียดเบียนผูดแล้วก็มนุษย์ที่เฉยๆอยู่กลางๆบุญ ไม่ช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็ไม่ทำร้ายผู้อนนี่คือลักษณะของมนุษย์ที่มีในโลกนี้เพราะเรื่องของการทำบุญหรือทำบาปหรือไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำบาปนี้เป็นสาเหตุแต่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกิดมาแล้วก็จะไปทำตามที่เคยทำไปหาทรัพย์ทางโลก บางคนก็หาทรัพย์ด้วยวิธีชอบโกงรักทรัพย์ทาบาปบางคนก็ทำด้วยวิธีสุดจริตบางคนทําแล้วก็โชคดีได้ได้รายได้มากกว่าที่จะใช้ได้ก็ได้มีโอกาสได้ทําแต่ก็จะวียนว่าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายทุกเพราะความแก่ ร่างกายเกิดมาแล้วจะต้องแก่วันหนึ่งต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องตายไปในวันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเจอกันจ<ม>ึงเกิดความทุกข์กันเพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เองเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็จะต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้<ม><ม>กับความทุกข์ต่างๆ แล้วก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะไม่รู้ไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าทำไมเรามาเกิดกันแล้วมาเกิดทาไมกันก็เลยทำตามที่เคยเคยทำเกิดมาก็คิดว่ามาหาความสุขจากสิ่งที่มี่ในโลกนี้มาหาโลกกรัมาหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพันไป จนกว่าวันใดวันหนึ่งจะได้มาพบกับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงเห็นว่าการมาเกิดในโลกนี้นั้นเป็นความทุกข์เพราะว่ามันจะต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เราไม่ปรารถนากันพบกับความแก่พบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยพบกับความตายพบ ก, บกับการพัากจากบุคคลและสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบแล้วต้องพบกับ เหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่อยากจะพบเช่นพบความทุกข์ยากลําบากในการดํารงชีวิตของแต่ละคนบางคนเกิดมาก็ต้องทำอาหากินเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าต้องใช้กําลังกายต้องต่อสู้กับฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆมากมายเพื่อที่จะดํารงชีวิตอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์พระพุทธเจ้ า, าจเห็นแล้วก็ ไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปก็เลยได้ออกบวชได้ค้นคว้าหาสาเหตุว่าทำไมถึงต้องมาเกิดอะไรจะเป็นเหตุที่พาให้มาเกิดได้จะทำยังไงที่จะหยุดการเกิดนี้ให้ได้ในที่สุดก็สงคนพบอริยสัจสี่สงคนพบว่าเหตุที่พาให้มาเกิดก็คือความอยากต่าง อยากจะหาความสุขในโลกนี้นั่นเองหาความสุขจากราบยศเสรสนสุขแล้วถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> ก็ต้องหยุดการหาความสุขทางโลกธรรมแล้วไปสร้างเครื่องมือไปสร้างธรรมะที่จะมาทําลายความอยากต่างๆที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดนี้ หมดสิ้นไปจากใจพอหมดสิ้นไปจากใจแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปและการที่จะทำให้ความอยากที่เป็นเหตุพาให้มาเวียนว่ายตายเกิด น, นี้หมดไปจากใจก็จำเป็นจะต้องมีเวลาไปศึกษาวิธีการและไปปฏิบัติเพื่อที่จะ หยุดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้จึงมีพระพุทธเจ้าจึงต้องกําหนดวันพระขึ้นมานี้เองวันพระเพื่อให้ละพวกศัทธายาโยมที่อาจจะเห็นความทุกขในการเกิดแก่เจ็บตายเห็นความทุกขในการเวียนว่ายตายเกิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อตอนเองอยากจะ แก้ปัญหานี้จะได้เอาเวลาที่เอาไปใช้กับการหาโกกรคกระทั์ต่างๆนี้แบ่งมาสักวันหนึ่งในอาทิตย์หนึ่งก็ให้เอามาสักหนึ่งวันเพื่อมาเริ่มต้นการหาธรรมะหาเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากที่พาให้ ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันต้องมาทุกข์ทรมานกันอยู่เรื่ อ, อ, อยๆแต่วันพระจึงเป็นวันที่เราจะมาทําภารกิจหรือทําธุระทางด้านจิตใจมาเปลี่ยนวิธีหาทรัพย์จากการหาทรัพย์ภายนอกให้มาหาทรัพย์ภายในมาหาอริยทรัพย์กันเพราถ้าเราได้อริยทรัพย์แล้ว ต่อไปเราก็จะเลิกหาทรัพย์ท้งโลกได้เมื่อเราเลิกหาทรัพย์ท้งโลกได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปงานลุธุระที่พูดุทธเจ้าส่งมอบให้กับชาวพุทธเหล่านี้เพื่อที่จะมาสร้างอาริยรทรัพย์ให้ปรากฏขึ้นมาในใจเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็คือมีอยู่สองทุระด้วยกัน เรียกว่าข้อหนึ่งคันถะทุระข้อสองเรียกว่าวิปัสนาทุระนี่คือธุระที่พู้เจ้าส่งมอบให้กับชาวพุทธเรามาทำกันในวันพระวันธรรมดาเราก็ไปทำธุรกิจทางโลกไปทำงานทำการไปหาเงินหาทองซื้อขายทำธุรกิจต่างๆเพื่อที่จะได้ทรัพย์ทางโลกมา ใช่แต่วันหยุดวันพระนี่เราเปลี่ยนวิธีทำธุระใหม่แทนที่จะไปทำธุรกิจทางโลกไปหาทรัพย์ทางโลกเรามาทำธุระทางธรรมมาทำคันถะธุระและวิปัสสนาธุระกัน<ม>คันถะธุระนี่คือการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาวิธีที่จะหาทรัพย์ภายใน ว่าหาได้อย่างไรอริยทรัพย์ซึ่งมีอยู่สีขั้นด้วยกันอริยทรัพย์ตั้งแต่โสดาปฏิมร์โสดาปฏิผลขึ้นไปจนถึงอรหัตมร์อรหัตตผลนี่คือทรัพย์ภายในที่จะเกิดขึ้นกับใจของพวกเราถ้าเราปฏิบัติสร้างเหตุที่ทําให้เราได้อริยทรัพย์เหล่า น, นี้มา และเหตุที่จะทั้งที่จะทําให้เราได้อริยทรัพย์ได้มรรคผลนิ่ผ่านนี้ก็คือการปฏิบัติตามคําสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราปฏิบัติกัน mm. คือเครื่องมือเครื่องมือที่จะทําให้เราได้อริยทรัพย์ mm. เราต้องมีการทําบุญทําทาน mm. มีการรักษาศีลแล้วก็มีการภาวนาเนี่ย อันนี้คือเครื่องมือที่จะทาให้เราได้อริยทรัพย์กันดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ทำหน้าที่ของคันตะทุระแล้วเราก็มาทำหน้าที่ของวิปัสสนาทุระมาทำให้ธรรมะทำให้อริยทรัพเกิดขึ้นมาในใจของเราให้ได้ และการที่จะทำให้อะเียทรัพย์เกิดขึ้นมาในใจของเราเราก็ต้องปฏิบัติตามที่พูะเจ้าได้ทรงปฏิบัติมามพระพุทธเจ้าจะไม่สอนให้พวกเราทำอะไรที่พระพุทธเจ้าเองไม่ได้กระทามาพระพุทธเจ้าจะสอนแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทามาแล้วและเห็นคุณเห็นค่าเห็นประโยชน์ของการกระทามาแล้วจึงเอามาสอนพวกเรา<ม>พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทาทาน สละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองพระพุทธเจ้าก็ได้กระทํามาแล้วเคยเป็นราชาโอรสมีทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินแต่ก็สละราชาสมบัติไม่เอาอะไรติดตัวไปเลยออกบวชเพื่อจะได้ไปปฏิบัติธรรมขั้นที่สูงต่อไปคือขั้นรักษาศีลแล้วก็ขั้นภาวนาผู้ที่จะไปสู่อริยทรัพด้านนี้จําเป็นจะต้อง ทำทานแบบร้อยเปอร์เซ็นมีทรัพย์เท่าไหร่ก็สลละไปให้หมดเพราะทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ mm. เป็นเหมือนสมอเรือ mm. เวลาที่เรือจะไปไหนมาไหนได้ต้องถอนสมอก่อนถ้ายังทอดสมออยู่ mm. เรือจะไปไม่ได้ mm. เพราะสมอจะดึงเรือไว้ อันใดถ้าเรายัางติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่<ม>เราก็จะไม่สามารถไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือศีลภาวนาได้อย่างเต็มเต็มร้อยเต็มรูปแบบ<ม>เราก็จะไม่สามารถที่จะไปสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาภายในใจของเราได้<ม><ม>พระพุทธเจ้าจึงต้องละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชไปถือศีลของนักบวช แล้วก็ไปภาวนา<ม>ไปเรียนตามสํานักต่างๆวิธีการภาวนาว่าทําอย่างไรบ้าง<ม>นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วได้พิสูจน์มาแล้วถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่มาถอยแพร่เรื่องอาหารร้านอาหารต่างๆ<ม>ก็เคยไปชิมร้านอาหารนั้นร้านนี้มาแล้วเช่<ม>นเชลชวนชิมนี่เขาบอกไปร้านนี้อร่อยนะ เพราะเขารับประกันเพราะเขาไปชิมมาแล้วด้วยตัวเขาเองแล้วเขารู้ว่ า, าหาร้านนี้อร่อยหรือไม่อร่อย<ๆ>ร้านไหนอร่อยเขาก็จะติดโฆษณาให้ว่าร้านนี้เชลชนชิมมาชิม<ๆ>มาชิมแล้วรับประกันรสชาติอาหารพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไปชิมอริยทรัพย์แล้วว่าอริยทรัพย์นี้เป็นทรัยพย์ที่ประเสริฐเลิศโลก และวิธีที่จะไปหาร้านที่มีอริยศัพท์นี้ให้ไปอย่างไรก็ให้ไปด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล <huh> ด <t> uh ้วยการภาวนานี <huh> <yes> <t> uh ่เองแต่สำหรับพวกเราที่เป็นปุตุชนที่ยังไม่มีกำลังมากพอที่จะทำแบบพระพุทธเจ้าได้เราก็ต้องสร้างกำลังขึ้นมาตาม ตามกำลังของเราไปก่อนเช่นเบื้องต้นก็ลองหยุดอาวันหยุดทำงาน1่งวันนี้มาปฏิบัติวิปัสสนาธทรละคือมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันก่อนเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆไปก่อนกว่าที่เราจะไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้ต้องสร้างกำลังขึ้นมาก่อน แต่ก็ไม่น่าสาหรับคนบางคนนี่อาจจะมีบารมีมาแล้วก็ได้พอมาเกิดคราวนี้แล้วได้มาได้ยินได้ฟังธรรมที่พูะเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติบางคนก็ออกบวชได้เลยก็มีบางคนมาศึกษาได้ไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ไปบวชกันก็มีเพราะเขาเข้าใจเขาเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์ว่ามีคุณค่ามากน้อยเพียงไร และเขารู้ว่าการปฏิบัตินี้จะต้องปฏิบัติเข้มข้นขนาดไหนถึงจะทําให้เขาได้รับอริยทรัพย์ที่เลิ ศ, ท, ลศที่ประเสริฐนี้แล้วเขาก็อาจจะมองถึงความไม่แน่นอนของชีวิตของเขาด้วยชีวิตของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่กันจะตายวันไหนปีไหนไม่มีใครสามารถรู้ได้ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท รีบเอาเวลาที่มีอยู่ในขณะนี้มาให้กับการหาอริยทรัพย์ดีกว่าถ้าสามารถทาได้เพราะถ้าทำอย่างเต็มที่แล้วนี่พระพุทธเจ้าก็เคยรับประกันเวลาว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้รับอริยทรัพย์นี้อย่างแน่นอนออบางคนกำลังของแต่ละคนไม่เหมือนกัน พ็อดีตชาติที่สับที่ผ่านมานี้อาจจะสะสมบุญสะสมการกระทาที่มากน้อยต่างกันบางคนชาติก่อนๆเคยทำบุญรักษาศีลมามากพอมาได้สัมผัสได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและได้ยินว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเขาก็สามารถทำได้อย่างเต็มร้อยเลยก็มีทำ มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่นี้กับไม่เห็นคุณค่าของมันเลยกับเห็นว่ามันเป็นเหมือนกับสมอเรือ<ม>เป็นตัวที่จะ่วงที่จะดึงจิตใจไม่ให้ไปสร้างอริยทรัพย์กัน<ม>เพราะถ้ามีทรัพย์สมบัติก็ต้องมีการดูแลรักษา<ม>จะเป็นของตนเองก็ดีแล้วเป็นของพ่อแม่ก็ดี<ม>เป็นของครอบครัวก็ดีก็ต้องมีส่วนในการดูแลรักษา ก็ต้องมีการทำงานทำการ mm hmm. เพื่อหาทรัพย์มาเพิ่ม mm hmm. เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์ที่มีอยู่นี้ลดน้อยถอยลงไป mm hmm. ก็จะวุ่นวายกับการหาเงินหาทอง mm hmm. แล้วก็เอาเงินทองที่หามาได้ไปซื้อความสุขต่างๆ mm hmm. ซื้อปัจจัยสี่ที่รูหราซื้อบ้านซื้อคอนโดราคาแพงๆซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมต่างๆอะไรเหล่านี้ ก็เป็นการแสวงหาความสุขจากโลกกับทัพย์เท่านั้นเองแล้วเวลาก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปคน <Yeah. S 1> ที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยได้ทำธุระคันธะธุระศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทําอะไรกัน <Yeah. S 1> ก็จะไม่รู้เรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาธุระกัน <Yeah. S 1> ก็จะไม่ค่อย <Yeah. S 1> ไม่ให้ความสําคัญต่อการ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการทาบุญทาทานก็อาจจะทำไปตามกาลเทศะตามการตามเวลาเช่นวันเกิดทีก็ทำสักครั้งหนึ่งวันสำคัญเช่นวันปีใหม่วันเทศกาลทางศาสนาก็อาจจะมีทาบ้างตามตามธรรมเนียมแต่ไม่ได้ทำแบบมากมายไกยกองที่จะมีผลต่อ การสร้างอริยทรัพย์แต่อย่างได<ม>การจะสร้างอริยทรัพย์นี้ต้องทําแบบเต็มร้อย<ม>ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ต้องตัดไปให้หมดมอย่าไปเกี่ยวข้องกับการหาทรัพย์การใช้ทรัพย์<ม><ม>เพราะจะไม่มีเวลาไปปฏิบัติเพื่ออริยทรัพย์ได้ต้องออกบวชกันต้องไปเป็นนักบวชกัน จะได้มีเวลาเต็มร้อยให้กับการรักษาสิงกับการภาวนากันดังนั้นสําหรับผู้ที่ยังไม่มีกําลังหรืออินทรีย์ที่แก่กล้าพอศร<ม>ัทธายังไม่เต็มร้อยยังไม่เชื่อเต็มร้อย<ม>ความเพียรยังไม่มีเต็มร้อยก็ จ, จะทําไปตามกําลังของศรัทธาก่อนเชื่อว่าสิ่งพระเจ้าพูดนี้เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่มั่นใจว่าตนเองจะทำได้หรือไม่ก็ได้ก็ลองทำตามกำลังของเราก่อนลองเอาวันหนึ่งมาเป็นนักบวชสักวันหนึ่งก่อนวันพระนี่แหละเป็นวันที่พูะเจ้าสอนให้ชาวคารวะมาฝึกเป็นนักบวชกันมาถือศีลของนักบวชกันมาถือศีลแปดมาทำบุญทำทานตอนเช้าก็ทำบุญใส่บ้าน แล้วก็หลังจากนั้นก็มาถือศีลแปดเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็เอาเวลามาทำคันถะธุระก่อนถ้ายังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติต่างๆอย่างละเอียดก็มาศึกษากันไปทีละเล็กทีละน้อยฟังเทศฟังธรรมไปหรือถ้าขยันมากกว่านี้ก็อาจจะหาหนังสือธรรมะมาอา่านเพิ่มเติมสามารถเรียนรู้ได้ทั้งวันเลยก็ได้ถ้ายังไม่ ถ้ายังปฏิบัติไม่ได้หรอือยังไม่รู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เรียนรู้ไปก่อนเรียนรู้ว่าทาทานทำอย่างไร <Yeah. S 2> รักษาศีลรักษาศีลในระดับใด <Yeah. S 2> ภาวานานี้การภาวานานี้มีอะไรบ้างทำอย่างไรถึงเรียกว่าภาวานา <Yeah. S 2> ภาวานาก็มีอยู่สองระดับเรียกว่าสมถะภาวานากับวิปัสสนาภาวนา yeah. สมถาภาวนาก็ทำใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็สามารถสอนใจให้ฉลาดให้ด้วยการสอนสัจธรรมความจริงต่างๆสอนอริยสัจสี่สอนใจลักสอนเรื่องสภาวะธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ล้วนเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของชั่วข่าวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้เป็น ของตนได้เป็นตลอดถ้าไปอยากให้เป็นของตนอยากให้ควบคุมได้ก็จะทุกข์เพราะว่ามันจะทําไม่ได้เช่นร่างกายถ้าจะไปทําให้มันเป็นของเราให้มันอยู่ตามที่ความตามที่เราอยากได้คือให้มันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายนี่มันจะทําไม่ได้นะเวลาที่มันแก่เวลาเจ็บมันตายนี่มันจะทุกข์ทรมานใจมาก อันนี้คือวิปัสนาคือต้องมาสอนใจให้รู้จักยอมรับความจริงของสภาวะธรรมต่างๆที่ใจไปครอบครองไปถือว่าเป็นสมบัติของตนว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นสมบัติของตนมันเป็นสมบัติของธรรมชาติมันอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติคือความอ น, นิจจงอนัตตานี่องอันนี้เรียกว่าวิปัสนาภาวนาเบื้องต้นนี้ก็ศึกษาก่อน ศึกษาสามอย่างนี้แหละเรื่องทานนี้ก็คงไม่ต้องศึกษามากก็ได้ทานก็คือให้เราเสียสละแบ่งฟันทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองที่เราไม่ต้องอาศัยมันไม่มีมันเราก็ไม่เดือดร้อนเก็บไว้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรทรัพย์เหล่านี้แบ่งมาทำบุญกันทำบุญจะทำแบบทำกับที่ไหนก็ได้ถ้ามาอยู่วัดก็ต้องทำกับที่วัดเพราะที่วัดก็มีค่าใช้จ่าย มีค่าน้าค่าไฟค่าค่าบารุงรักษาสถานที่ต่างๆถ้าศรัทธายาโยมมาใช้สถานที่แต่ไม่ช่วยกันต่อไปก็ไม่มีใครที่จะรักษาวัดให้อยู่เป็นที่ปฏิบัติเป็นที่ศึกษาธรรมได้ก็ต้องมีการทำบุญทำทานกับวัดก่อนแต่ถ้าวัดพอเพียงแล้วก็อาจจะถ้าอยากจะทำบุญมากกว่า น, นี้ก็อาจจะไปทำบุญกับบุคคลอื่นก็ได้ ท่นบิดามารดาของเรานี่ก็ท่านก็เป็นบุคคลที่เราควรจะกราบไหว้บูชาคนที่จ ะ, <ม>ะรับใช้ดูแลเลี้ยงดูให้ท่านอยู่ดีกินดีเพราะพระคุณของท่านนี้มากมายกว่าการตอบแทนบุญคุณของเราที่จะสามารถตอบแทนได้พระพุทธเจ้าจบอกบุญคุณของพ่อแม่นี้มากกว่าที่เราจะสามารถที่จะชดใช้ได้ เราให้เราเลี้ยงดูท่านอย่างดีแบกท่านไว้บญบาบนไหลให้ท่านอุจฉะปัสสวะลาดใส่ตัวเราไปจนวันตายบุญคุณที่เราตอบแทนพ่อแม่ก็ไม่หมดมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้บุญคุณของพ่อแม่หมดก็คือต้องพาให้พ่อแม่ไปพบกับพระ อ, อริยะบุคคลแล้วให้หรือได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระ อ, อริยะบุคคลวิธีการ จเจริญอริยทรัพย์และสามารถบรรลุอริยทรัพย์ขั้นที่หนึ่งได้เป็นพระโสดาบรนไดอันนั้นแหละยังจะถือว่าได้ทดใช้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ที่ยิ่งใหญ่นี้ได้หมดทิ้นไปแต่ถ้ายังทําในระดับนั้นไม่ได้ก็เลียงดูพ่อแม่ให้ดีให้กินอยู่ดีกินดีเราอย่อยู่ดีกินดีกว่าพ่อแม่เรากินอยู่ดีกินดีอย่างไรพ่อแม่ก็ต้องกินดีอยู่ดีเหมือนกับเรารู้ดีกว่าเรา แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ชวนท่านไปทําบุญทําทานไปรักษาศีลไปภาวนาไปฟังเทศฟังธรรมไปทําคันถรัพยธุระไปทําวิปัสสนาธุระไปด้วยกันก็ได้ถ้า<ม>ถ้าชวนไปเขาไปก็พาไปด้วยกันจะได้จะได้ไปไปเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปปฏิบัติกัน<ม>อันนี้ก็เป็นวิธีทําบุญต่างๆ คือทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเรียกว่าเป็นการทำบุญจะทำด้วยซับก็ได้ถ้าเรามีซับก็ทำด้วยซับถ้าเรามีเวลาก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นก็ได้มีหลายวิธีในการทำบุญไม่ใช่เราต้องใช้ซับใช้เงินทองเพียงอย่างเดียวให้ธรรมะกับผู้อื่นก็ได้เช่นเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราประทับใจ เห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์ล้วก็แชร์ธรรมะนี้ไปให้กับผู้อื่นได้ให้เขาได้ฟังกันแล้วเขาก็จะได้รู้เรื่องรู้ราวรู้เรื่องของทรัพย์ภายในว่าเป็นอย่างไรเขาก็จะได้มีโอกาสได้มีโอกาสที่จะได้ไปรับทรัพย์ภายในถ้าเขารู้วิธีการปฏิบัติว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วเขาปฏิบัติตามวิธีการเหล่านั้น ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะได้ทรัพย์ภายในอย่างแน่นอน น, น, นี่คือการทําบุญทําทานให้แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นให้แบ่งปันประโยชน์ที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่นถ้าเรามีมากเกินกว่าที่เราจะใช้มันได้เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเราไม่มีบุญติดตัวไปตายไปอาจจะต้องไป ไปเป็นเปรตก็ได้ถ้าไม่ทาบุญมัวแต่คอยหาเงินหาทองด้วยวิธีการกระทำต่างๆซึ่งอาจจะเป็นวิธีทำบาปด้วยถ้าทำบาปเพื่อจะได้เงินทองมามากมายโยมวิญญาณก็จะต้องไปเป็นเปรตต่อไปแตนวิธีป้องกันการเป็นเปรตก็คืออย่าไปทำบาปเพื่อหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆมาแล้วพยายามทำบุญทาทานไว จะไ้บุญจะได้ดึงดึงใจไปสวรรค์ได้ดึงดึงใจไม่ให้ไปเป็นเปรตได้<ม> น, นี่ก็สิ่งที่เราต้องเรียนรู้ก่อนคันถะธุระก็ต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้อริยทรัพย์ขึ้นมามขั้นแรกก็ให้ทำบุญทำทาน<ม>ตอนต้นเราก็อาจจะทำทาได้เล็กๆน้อยๆเพราะเรายังมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆอยู่ ค่าใช้ใจ่ายค่าดูแลอะไรต่างๆอยู่เราอาจจะทำได้เพียงเล็กๆน้อยๆเราก็ทำไปตามกําลังของเราก่อนแล้วต่อไปแล้วก็พยายามหาวิธีลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นที่เราต้องใช้เช่นการใช้ตามกิเลสตัณหาตามความอยากต่างๆของใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถตัดได้เช่นการซื้อเสื้อผ้าซื้อปจจัยสีที่เรามีอยู่แล้ว ไม่มีจไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อแต่บางทีใจก็ยังชอบของสวยๆงามๆอยู่ชอบเสื้อผ้าใหม่ๆชอบบ้านใหม่ๆชอบอะไรใหม่ๆอยู่เห็นแล้วก็อดที่อยากจะได้มาไม่ได้แต่ถ้าใช้เหตุใช้ผลแล้วว่าเสื้อผ้าเก่ามันก็ทำหน้าที่เหมือนกับเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าก็มีไว้ปกปิดร่างกายเท่านั้นเองปกป้องร่างกายจากภัย ทางอากาศหนาวเย็นหรือจากมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆและป้องกันความอุจจาตานั่นเองจะเป็นเสื้อผ้าใหม่หรือเสื้อผ้าเก่ามันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันเสื้อผ้าเก่าถ้ามันยังไม่ขาดมันยังใช้ได้ดีอยู่มันก็เหมือนเสื้อผ้าใหม่เนี่ยังต้องใช้เหตุใช้ผลเพื่อที่เราจะได้ลดตัดการใช้เงินทองตามความอยากต่างๆพอเราไปใช้เงินตามความอยากมันก็เท่ากับส่งเสริม การกลับมาเวียนว่ายตายเกิดตายเกิดให้มีมากขึ้นเพราะตัวความอยากนี่เป็นตัวที่อยคอยดึงให้เรากลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราก็จะเห็นว่าการซื้อของต่างๆตามความอยากนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งจําเป็นจะต้องมีเราก็ลองลดตัดมันลงไปตัดมันลงไปแล้วมันก็จะทําให้เรามีเงินที่จะมาทําบุญทําทานมากขึ้นไป แล้วถ้าเราทำบ่อยๆตัดบ่อยๆต่อไปล่า จ, จะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายก็ได้อยู่แบบนักบวชเสื้อผ้ามีแค่สองสามชุดก็พอชุดหนึ่งมีไว้ใส่ชุดหนึ่งมีไว้เปลี่ยนชุดหนึ่งมีไว้ซักก็พอ <c oughs> ก็มีเท่า น, นี้ของก็จะลดน้อยลงจะอยู่แบบมักน้อยสันโดษ <c oughs> มันใช้น้อยๆค่าใช้จ่ายมันก็ลดน้อยถอยลงไป ก็ไม่ต้องเสียเวลากับการไปหาเงินหาทองเพื่อมาใช้ใจ่าย mm hmm. ก็จะทาให้มีเวลาเพิ่มในการที่จะมาศึกษาปฏิบัติเ mm hmm. บื้องต้นอาจจะมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมาวัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งมามาอยู่วัดมาศึกษามาทำคันธุระศึกษาธรรมะคาสอนแล้วก็มาทำวิปัสสนาธุระทำทำสิ่งที่เป็น ผลจากการปฏิบัติให้ปรากฏแจ้งขึ้นมาคือทำอริยทรัพย์ให้ปรากฏแจ้งขึ้นมาตอนต้นก็เริ่มด้วยการมาอยู่วัดอาทิตย์ละครั้งแล้วต่อไปเมื่อเห็นว่าทำแล้วมีความสุขมากขึ้นได้อริยทรัพย์ได้เล็กน้อยขึ้นมาในใจแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาก็อาจจะอยากจะทำเพิ่มขึ้นต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันมาอยู่วัดอาทิตย์ละสองวันไป แล้วต่อไปก็ จ, จะอาทิตย์ละสามวันสี่วันไปก็ได้หรือบางช่วงที่มีเวลาว่างเช่นมีมีเวลาว่างมีกัันหยุดยาวแล้วสามารถหาเวลาหยุดทํางานได้ยาวก็อาจจะมาอยู่ยาวขึ้นเมื่อได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมมากขึ้นการที่จะใช้เงินทองเพื่อไปซื้อความสุขต่าง ๆ, ๆก็จะลดน้อยลงไปเพราะเห็น เห็นความสุขที่ได้จากการปฏิบั t นี้มีคุณค่ากว่ามีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆต่อไปอาจจะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไว้ซื้อความสุขต่างๆได้เลยนอกจากการใช้สำหรับซื้อปัจจัยสีจจ่ไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองท่งนั้นก็กพอ<บ>ก็จะทาให้ลดการทางานได้ลงไปมาก มันที่จะต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองมาเพื่อจะใช้เงินตอบสนองตันหาความอยากต่างๆมันก็จะน้อยลงไปการทำงานก็จะลดน้อยลงไปได้ก็อาจจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นให้กับการมาปฏิบัติแต่เราต้องค่อยทาค่อยเป็นค่อยไปถ้าเรากำลังยังไม่สามารถทำแบบทีเดียวมากๆได้เลยก็อยู่ต้องดูที่กำลังของแต่ละคนบางคนทาได้มากก็ทามาก บางคนทำได้น้อยก็ทําน้อยไปก่อนแต่ก็มีเป้าหมายว่าจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆให้มันเต็มร้อยให้ได้ให้มันไปถึงขีดที่ไม่ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรือถ้าทําก็ทําเพียงแต่เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่จะไม่หาเงินหาทองเพื่อมาใช้กับความอยากต่างๆในต่อไป <Yeah. S 2> เพราะทรัพย์ภายในนี้มันเป็นความสุขมากกว่าทรัพย์ภายนอก ถ้ามันเป็นความสุขที่ยั่งยืนถ้าเราทำมันถึงในระดับของพระอริยท ร, ทรัพย์แล้วซาภายในนี้ก็จะอยู่คู่กับใจของเราไปตลอดอัน<ม>นี้คือสิ่งที่เราจะต้องอคิดกันทํากันนานๆแล้วจะได้มีโอกาสได้เจอแผนที่สู่อริยทรัพย์กัน ท, กทั้งๆก็คือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ และก็ยังมีผู้ที่มีควมีความรู้ความเข้าใจได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาแล้วได้เห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติมาแล้วมาคอยสอนมาคอยบอกคอยนําทางจ mm hmm. ึงถือว่าเป็นโอกาสทองของผู้ที่แสวงหาความหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะนานๆจะมีพระพุทธศาสนามาปรากฏอยู่บนโลกนี้ได้สักครั้งหนึ่ง แล้อยู่ได้ก็ไม่นานเช่นศาสนาพุทธอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปีหลังจากนั้นก็จะหายไปจากโลกนี้ไม่มีใครรู้จากอริยาาสัจสีไม่มีใครรู้จากทานศีลภาวนาไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรทําไปทําไมอะไรต่างๆเพราะไม่มีคนสอนไม่มีคนรู้มาสอนมาบอกอ น, นั่นเองเพราะคนรู้คนคนที่คนรู้ที่มาสอนมาบอกก็จะล้มหายตายจากกันไป ถ้าไม่มีรุ่นใหม่มาสืบทอดต่อไปาศาสนาก็จะขดไปเรื่อยๆที่าศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้ก็อยู่ที่นี่แหละชาวพุทธเราเานี้จะมาสืบทอดาศาสนากันต่อจากยุคก่อนเราหรือไม่ถ้าเราอยากจะสืบทอดาศาสนาเราก็ต้องมาทำธุระสองอันนี้มาทำคันถาธุระมาทำวิปัสสนาธุระกันเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงอริยทรัพย์เนี่ย เมื่อเราได้เข้าถึงอริยสัพเพเราก็จะได้เป็นผู้ที่สืบทอดพระศาสนาให้อยู่ต่อไปได้อีกยุคหนึ่งได้อีกช่วงหนึ่งเราก็จะเอาเวลาของเรานี้มาเผยแผ่ธรรมะมาสั่งสอนธรรมะเมื่อเราได้ทำอริยสัพเพของเราได้สมบูรณ์แล้วได้เต็มที่แล้วเราก็ไม่มีงานอะไรต้องทำอีกต่อไปนอกจากมาช่วยสืบทอดพระศาสนากันโดยการเอาความรู้ที่ไดจากการปฏิบัติ นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป<ม>ถ้ายัางมีการทาอย่างนี้อยู่ศาสนาก็จะอยู่ต่อไปได้เรื่อยแต่ตามที่พระเจ้าได้ทรงกาหนด<ม>ได้ทรงคาดไว้<ม>ก็คิดว่ามันจะหดตัวลงไปเรื่อยๆคนที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆ<ม><ม>เพราะอิทธิพลของความเจริญทางโลกมันยิ่งเจริญทางโลกมากเท่าไหร่ มันก็จะดึงดูดจิตใจของของมนุษย์นี้ให้ไปหาความสุขทางโลกกันให้ไปหาความสุขทางราบยศสารเสริญสุขกันเพราะมันง่ายกว่าการที่จะมาหาความสุขทางธรรมกันความสุขทางธรรมความสุขทางอริยะรัมเน้เป็นสิ่งที่มันเยอ่อมันมันทวนกระแสของความอยากของเราทวนกระแสของกิเลสตัณหาของเราแต่การไปหาความสุขทางโลกนี้มันเป็นเหมือนไป ตามกระแสของกิเลสตัณหาการไปตามกระแสของกิเลสตัณหาก็เป็เหมือนกับเวลาเดินลงเขาเนี่ยเวลาเดินลงเขานี่มันง่ายมันสบายไ ม, ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยไม่เหมือนกับเวลาขึ้นเขาเนี่ยเวลาขึ้นเขานี่กว่าจะขึ้นได้แต่ละก้าวนี่มันต้องใช้กำลังมากเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมาทวนกระแสของกิเลสตัณหานี่มันจึงเป็นของยากจึงไม่ค่อยมีใครอยากจะทำกัน กวาจะได้ผลทักทีนี้ก็ลิ้นท่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ก็อาจจะทําให้เกิดความท้อแท้ขึ้นมาไม่มีกําลังใจที่จะทําต่อไปก็ได้ดังนั้นโอกาสที่าศาสนาจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆนี้มันจะมีมากกว่าโอกาสที่าศาสนาที่จะเจริญาศาสนาของเราเจริญสูงสุดก็ในยุคของพระพุทธเจ้านี่แหละอายุของพระพุทธเจ้านี้มี มีพลังพระพุทธเจ้ามีพลังที่จะสอนธรรมะให้แก่สารโลกกันพระพุทธเจ้าทรงสอนธรรมะวันละสี่รอบด้วยกันในตอนบ่ายสอนธรรมะให้กับสัตยาญาติโยมตอนด็กสอนตอนข้ามสอนให้กับนักบวชภิกษุภิกษุณีตอนเดึกสอนให้กับเทวดาและตอนเช้ามืดก่อนที่จะทรงออกบิณฑบาตก็ทรงใน็ยานดูว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้น พระเจ้าทรงใช้เวลาทั้งหมดให้กับการเผยแพร่สั่งสอนจึงสามารถผลิตพระอริยสง์สาวกขึ้นมาเป็นจนํานวนมากเมื่อมีพระอริยะสงฆ์มากก็สามารถเผยแพร่ธรรมสั่งสอนได้มากขึ้นได้ไกลขึ้นได้กว้างขึ้นนะยุคของยุคทองของพระพุทธศาสนายุคที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดก็ยุคที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้เผยแพร่ธรรมนี่แหละเป็นยุคที่มีพระอรหันต์มากที่สุด มีผู้มีผู้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มากที่สุดแต่พอหลังจากที่พระเจ้าสิ้นแล้วกําลังในการเผยแผ่ธรรมะก็เริ่มค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจานวนของผ้าอหารหันที่ผิดขึ้นมาแต่ละรุ่นก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงมาสมัยยุคปัจจุบันนี้บางทีแทบจะหาผ้าอหารหัน์แทบจะไม่ได้เลยบางคนก็ไม่เชื่อว่ายังมีผ้าอหารหันอยู่ในโลกนี้ก็มี เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สูญหายไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเหตุที่จะทำให้มีการเสื่อมของศาสนานี่เรามาเพียงครึ่งทางทั้นเรามาเพียงสองพันห้าร้อยกว่าปียังเหลืออีกสองพันสี่ร้อยกว่าปีแต่จำนวนของพระอริยบุคคล น, นี้ตอนนี้แทบจะเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรแล้วหายากอาจนะพบสักองค์หนึ่งก็นี่ ก็ต้องฟันฝ่ากับของปลอมก็มีเยอะแยะระหว่างทางอาจจะได้เจอของจริงอาจจะไปเจอของปลอมกันก่อนก็มีมันก็เลยทำให้โอกาสที่จะได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้บรรลุธรรมนี้ก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่พูะเจ้าทรงทำนายว่าคงไม่เกินห้าพันปีศาสนาพูดก็จะหมด หมดไปไม่มีใครเลีไม่มีใครเรี ย, รรยนรู้ไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครบรรลุธรรมอีกต่อไปก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กลับมาตัดเชื้กลับมามาเกิดมาตัดเชื้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องเป็นเวลาอีกหลายแต่ล้านปีเทีวเรียกเป็นกับเป็นกับกับหนึ่งนี้เป็นระยะเวลาที่นับไม่ได้ด้วยตัวเลขมันมากมายจนท่านเขียนไม่ได้ประมาณไม่ได้ ก่อจะมีพระเจ้าองค์ใหม่มามานําทางอีกครั้งหนึ่งก็ต้องใช้เวลาอีกยาวนานพวกเราตายจากโลกนี้ไปเราอาจจะได้กลับมาเกิดอีกก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถ้าเราได้ทําบุญทําทานเราไปเกิดเป็นเทวดามันก็อาจจะอยู่เป็นล้านปีก็ได้กลับมาคราวหน้าศาสนาพุทธที่มีอยู่ในโลกนี้ก็จะหายไปหมดตอนนั้นเราก็จะไม่มีใครนําทางไม่มีใครสอนใครบอกวิธีของการ ปฏิบัตเพื่อให้เราได้อริยสัพเพ์เพื่อให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นพบนีิชานนี้จึงถือว่าเป็นโอกาสทองของพวกเราทุกคนที่ยังมีผู้ที่เผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้กับพวกเรานำทางพาพวกเราให้ไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจึงไม่ควรที่จะเอาเวลาที่มีค่านี้ไปทำกับสิ่งอย่างอื่น อย่าเอาเวลานี้ไปหาทรัพย์ภายนอกเลยหาทรัพย์ทางโลกเลยเพราะมันเป็นแค่ชั่วคราวไม่กี่ปีพอร่างกายตายไปทรัพย์ทางโลกก็หมดหน้าที่ไปทำประโยชน์ให้กับใจต่อไปไม่ได้สู้มาหาทรัพย์ภายในกันดีกว่าโดยการมีวันหยุดการทำงานทางโลกกันอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก่อนเป็นจุดเริ่มต้นเช่นวันพระ ซึ่งสมัยนี้วันพระบางครั้งก็อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดของเราเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้ไปให้มันไปตรงกับวันหยุดเช่นวันนี้เป็นวันพุธส่วนคนส่วนใหญ่ที่ทํางานรับราชการหรือเป็นลูกจ้างของบรยสัทนี้ต้องไปทํางานกันเขาจะให้หยุดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ดังนั้นถ้าเราอยากจะมีวันพระทุกอาทิตย์เราก็ต้องเปลี่ยนวันวันพระของเราจากวันนี้ไปเป็นวันที่เราหยุดทํางานเช่นไป ไปไปหยุดถ้าเราหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลือกวันใดวันหนึ่งให้เป็นวันพระแล้วเราก็เอาวันพระนี้ไปทำธุระสองอย่างคือไปทำคันธะธุระวิปัสสนาธุระไปอยู่วัดกันไปหาวัดที่มีการสอนมีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติธรรมกันถ้าไปวัดที่ไม่มีการสอนไม่มีการปฏิบัติมีแต่การสวดมนต์อย่างเดียว ก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ต้องมีการศึกษามีการแสดงธรรมมีการสอนวิธีเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไม่ใช่เอาแต่ไหว้พระสวดมนต์เพลยงเดียวอันนี้ไม่เพียงพอต้องปฏิบัติมากกว่านี้ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนถ้าเวลาปฏิบัติถึงขั้นภาวนานี้จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเพราะว่าจะต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเพราะาถ้าไม่มีสต<ม>ิก็จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้ดั<ม>งนั้นต้องมีคนคอยสอนคอยเตือนคอยบอกว่าอย่า เ, อาเวลาไปทำกิจอย่างอื่นนะให้เอาเวลานี้มาเจริญสติกัน ม, ม, มาปีกวิเวกันอย่าคุกทีกันอย่าอยู่จะอย่าจับปุ่มคุยกัน อย่าจับกลุ่มนั่งดื่มกาแฟน้ำชากาแฟอะไรกันให้แยกกันอยู่เพราะว่าการเจริญสตินี้ต้องอยู่ตามลาพังเพราะเราต้องการควบคุมความคิดหยุดความคิดถ้าเราควบคุมความคิดหยุดความคิดไม่ได้นั่งสมาธิใจเราจะไม่สงบจะไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่ได้จากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้อันนี้ต้องเบริสถานที่ที่เขาจัดไว้ จำเพราะเพื่อการภาวนาเราจะคอยควบคุมไม่ให้มาคุกเคีกันไม่ให้เจอกันจะเจอกันก็ เ, กนเฉพาะเวลาที่จําเป็นจะต้องทํากิจร่วมกันเช่นเวลามารับประทานอาหารเป็นต้นหรือเวลามาฟังเทศฟังธรรมมันแต่เวลาอื่นนี้ก็จะให้ไปอยู่ตามลาพังแล้วก็สอนให้พันเจริญสติอยู่เรื่อยๆ เ, เดินยืนนั่งนอนก็ให้มีสติการจะมีสติก็ต้องมีอารมณ์ที่เราใช้ผูกจิตไว้ เช่นใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือใช้การเฝ้าดูการกระทําต่างๆของร่างกายมันก็จะทําให้เรามีสติเพิ่มขึ้นไปตามลาดับพอเวลามานั่งสมาธิใจก็จะสงบสงบแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแล้วจะทําให้เรามีกําลังใจที่อยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเราปฏิบัติได้ผลแล้วเราจะรู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสงบ พอได้ผลแลท้ทีนี้ก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปเองก็จะหาเวลาเพิ่มขึ้นไปตามลำดับแในที่สุดก็อาจจะใบบวชอย่างถาวรเลยก็ได้<ม>อันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องหมั่นพยายามทำกันให้ได้อย่างน้อยต้องมีวันพรากันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพื่อ ม, มาทำธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายไว้สองธุระคือคันธะธุระศึกษาวิธีการทาให้จิตใจหลุดพ้นวิธีที่จะเข้าถึงอริยสัจ มารู้วิธีแล้วคือทานศีลภาวนาก็มาปฏิบัติกันทําบุญทําทานรักษาศีลแล้วก็ใช้เวลาในวันนั้นให้กับการปฏิบัติจเจริญจิตตภาวนาเบื้องต้นก็ทำทำสติเพื่อให้ใจสงบให้เป็นสมถะภาวนาแล้วพอได้สมถะภาวนาแล้วเก่งแล้วทาภาวนาทางสมถะภาวนาก็มาจเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไป แล้วใจก็จะได้สะสมอริยสัพเพิมขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาแล้วในที่สุดก็จะถึงขั้นสูงสุดได้คือขั้นพระนิพพานได้นี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องตั้งเป้าไว้ให้กับชีวิตของเราให้เราเอาเวลาทั้งหมดเที่ยวที่เราจะหาได้มาให้กับการทํำทุระสองทุระนี้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราอยากจะเข้าถึงทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดคือพระอริยทรัพย์นี้ เราต้องทำคันธุระและวิปัสสนาธุระกันนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทะวาเรวะหาปุราปาริปุเรินติสากะลังเอวามีวะอิตุินงังเปตานาังอุปกะกปติ อิจิตังปะทิตังต um ุณหังคิปเมวะสมิจฉะโทสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธามะนิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโววินัสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีตาโยโกภาวะอภิวัตนาสิลิสานิจจงวุฒาปจายโนจตารูธรรมวัฏฐานติอายุวันโอสุขังฮาลัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเอาช่วงเดียวพอหลังจากที่เลือกแล้วจะไม่สะดวกวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนรรมการพอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุติทางเ a c e b o o หกร้อยสามสิบเอ็ดท่านเจ้าค่ะ y o u t u สามร2อยห้าสิบสองทางด r อ c h a n ร์ l 6ชาแนหกสิบสาม คลับเฮา9ท่านวิทยุออนไลน์16นากุตริ120ท่านรวมทั้งหมดเป็น 1,191 ท่านเจ้าค่ะเ <Hey, S 1> มื่อกี้ท่านยังอยากจะถามคำถามหายไปแล้วเมื่อกี้อะถามไม่สะดวกถามเอาลอเดียวหายไปเลยถ้าอยากจะถามก็เข้ามาถามได้นะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเอาคำถามที่มีตอบไปก่อนก็้น เจ้าค่ะมีคําถามฝากถามมาเจ้าค่ะว่าให้ข้าวสารแกงนกทุกเช้าได้บุญมีอนิสงฆ์ไหมคะก็ได้ได้ตามที่เราให้ไปให้น้อยให้มากอยู่ที่ที่การให้ของเราถ้าเราให้มากเราก็ได้บุญมากให้น้อยก็ได้บุญน้อยเจ้าค่ะมีคําถามจากคุณชลาลัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ การฟังธรรมวันพระถือเป็นการปฏิบัติบูชาหรือไม่คะและการฟังธรรมได้บุญหรือไม่เจ้าคาก็จะว่าเป็นการปฏิบัติก็ได้เป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกดนั้นก็ต้องฟังธรรมก่อนการฟังธรรมเหมือนการดูแผนที่ก่อนที่เราจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางที่เราไม่เคยไปได้ต้องดูแผนที่ก่อน ว่าดูแผนที่แล้วเราจะได้รู้ว่าเราครจะเดินทางไปทางไหนกัน <Okay. S 1> จะจะเรียกว่าปฏิบัติก็ได้มันก็ยังไม่ปฏิบแบบัติแบบการไปนั่งสมาธิการไปเดินจงกรมอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติจริงๆคำถามจากคุณสุกัญญากราบนามัสการเรียนถามเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิจะนิ่ง เฉยๆเวลาจิตคิดก็จะรู้และกลับมาบริกรรมพุทโธเหมือนเดิมให้ทําอย่างนี้ไปเลยใช่ไหมเจ้าคะขอความเมตตาเจ้าค่ะใช่ให้มันทําำจนกระทั่งมันนิ่งไปเองโดยที่ไม่ต้องบังคับเหมันเนะอมันนิ่งแล้วก็เหมือนก็จะนิ่งไปเฉยๆไปถ้ามันยังไม่นิ่งเฉยๆก็ต้องพยายามหยุดมันให้ได้ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหยู่เรือยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าคะ่ะ เมื่อกีใครอยากจะถามหายไปแล้วนะเวลาให้ถามก็ไม่ถามเวลาไม่ให้ถามก็อย่ถามอะไรไม่สะดวกอ่าถามไม่ได้เรื่อยๆแค่นี้ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่มีเดี๋ยวก็รอเดี๋ยวมีคําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์จากคุณนิรุต การที่มีคนไปทำบุญมาแล้วบอกเราว่าเอาบุญมาฝากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเอาบุญมาฝากให้ได้ด้วยหรือครับและเราควรจะตอบว่าอย่างไรครับเราก็บอกตอแหลเลยอากได้เราก็ไม่ต้องทำบุญหล่ให้คนอื่นเไปทำให้เราบุญใครบุญมันต้องทำเองเรามีกรรมเป็นของของตน จะทำกรรมมันใดไว้ไม่ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าไม่ทําก็ไม่ได้รับผลถ้าทําก็จะได้รับผลมีคําถามจากผู้รับฟังธรรมา น, นุกุติเจ้าค่ะกราบธรรมชการ์ท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบเรียนท่านพระอาจารย์ว่าการนั่งภาวนาสามารถอุทิศบุญให้กับยอดที่เสียชีวิตขณะที่ยังไม่เผา คือเรายังภาวนาไม่ได้ผ ล, ลเราจะผลที่ไหนไปให้ล่ะ mm hmm. บุญก็คือผลที่เกิดจากการกระทาทำบุญทาทานนี้มันได้ผลทันทีเหมือนฟาสต์ฟู้ดนียไปถึงปุ๊บสั่งปั๊บก็ได้ปุ๊บเลย mm hmm. แต่ถ้าจะกินโต๊ะจีนนี่บางทีต้องไปจองไว้หลายวันก่อนให้เขาเตรียมโต๊ะไว้ให้อะไรต่าง ๆ, mm hmm. างๆเพราะฉะนั้นการภาวนานี้มันยังไม่ได้ผลนะเราจะเอาผลอะไรไปอุทิศกัน จิตไม่ยังไม่รวมเป็นอัปปนาสมาธิมันก็จะไม่มีผลดังนั้นสําหรับผู้ครองเรือนี่ไม่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้อัปนาสมาธิมาพระเจ้าจึงสอนให้ทําบุญทําทานถวายทานใส่บาตรถวายสังฆทานหรือทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทําบุญก็ได้ทําทานก็ได้บริจาคให้โรงเรียนก็ได้โรงบราลาก็ได้ให้คนยากจนที่เดินตามข้างถนนก็ได้ ทำรถไปเห็นคนแบกข้าวแบกบของไม่มีเงินขึ้นรถขึ้นลาก็ให้เงินข่ารถข้าลาเข้าไปบอกเอาเอาไปขึ้นรถขึ้นลาไปจะได้ไม่ต้องทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็เป็นการทําทําทําบุญทําทานได้เหมือนกันอุทิศบุญได้เหมือนกันมีคําถามจากคุณมีมีโกเจ้าค่ะว่าเวลาเราทําบุญกรวดน้ําหรืออุทิศแบ่งบุญให้หลายๆคนผลบุญจะถูกหานหรือเปล่าคะ มันก็มีร้อยหนึ่งแล้วถ้าให้คนเดียวเขาก็ได้ร้อยหนึ่งถ้าให้สิบคนก็จะแบ่งคนละคนละสิบนะ <Yeah. S 1> ก็ได้คนละสิบเพ <Yeah. S 1> อาะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาไม่นิยมทําแบบให้ให้แบบสรรพสัตว์ทั้งโลกหรอกมันเราทําบุญแค่นี้แล้วไปแบ่งคนเป็นแสนเป็นล้าน <Yeah. S 1> มันจะได้อะไรกันส่วนใหญ่เราก็มุ่งไปที่คนคนเดียวที่เราเป็นคนตายเนี่ยงานศบนี่เราก็อุทิศให้กับคนที่ตายไป yeah. ยกไวมาถ้าเขามีบุญพอแล้วก็ปล่อยให้ให้โอกาสผู้ที่ไม่มีบุญจะเป็นใครก็ได้มารับบุญต่อไปอันนี้ก็ทําได้เพราะบางทีคนที่ตายไปเขามีบุญเยอะกว่าบุญที่เราส่งไปให้เขาเขาก็เลยไม่ต้องมารอรับส่วนบุญตรง น, นี้แต่พวกที่ไม่มีบุญเนี่ยพวกพวกที่เป็นขอทานเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กล่าวว่าให้เขาเอาเขาเขาเอาไปไม่ได้วเวลาอุทิศเราก็ต้องกําหนดว่า เช่นเ้าขออุทิศให้กับคนนี้ที่ตายไปแล้วแต่ถ้าเขาไม่เอาก็ขอให้ดวงวิญญาณดวงอื่นที่อยากจะได้มารับไปแทนก็แล้วกันเขาก็จะรับไปได้เจ้าค่ะมีคําถามจากคุณตุตตูเขาล่ะอยากให้พระอาจารย์ให้ข้อคิดเรื่องคนที่เชื่อหมอดูเพราะดูดวงแม่นจนทําให้ทุกครั้งที่มีปัญหาจะไปพึ่งหมอดูเจ้าค่ะ ก็ดูพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตัวอย่างหมอหดูที่แท้จริงก็คือพระพุทธเจ้าบอกความจริงเนี่ยความจริงก็คืออนาคตของทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้แหละเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดงั้นอย่าไปเชื่อหมอดูที่ไม่แม่นเลยเขาบอกงวดนี้จะถูกหวยนี่มันเขารับประกันได้หรือเปล่าเขาก็พูดไปตามตามอะไรของเขาไปท่านองตามความเชื่อของเขา ส่วนใหญ่ถ้าได้ทุกคนก็ไม่ต้องไปทามาหากินไปหาหมอดูกันดีกว่าเมื่อไหร่จะได้เงินได้ทองคำถา ม, ถามต่อไป <c oughs> จากคุณ <c oughs> กอนหาไทย <c oughs> ถ้าเราอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวร <c oughs> เขาจะมีกำลังกลับมาทำร้ายเราหรือไม่คะกลับมาสักการะคะ์ค่ะเจ้ากรรมในเวรนี้ต้องเจ้ตัวเขาก่อนเป็นคนที่เขาเกลียดเราโกรธเรากลั่นแกล้งเรา เราซื้อของไปให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวใจที่เกียดโกรธก็จะกลายเป็นที่ใจที่เมตตาเราเองค่ะคำถามจากคุณจัสตินว่าถ้านำเงินหยอดกระปุกไว้แต่ยังไม่ได้นำไปทำบุญเราสามารถอุทิศบุญในแต่ละครั้งที่เราหยอดกระปุกได้หรือเปล่าคะถ้าเราถือว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วก็ได้อยู่ แต่ถ้ายังถือว่าเราเป็นของเราอยู่อาจจะเปลี่ยนใจวันหลังขอเอาไปยืมยืมไปใช้ก่อนอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้ละเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราแล้วบุญที่เราอุทิศไปมันก็จะหาให้ไปถ้าเรากลับมาใช้เราไม่ไม่ไม่ไม่เอาไปถวายวัดเลยเอาไปทําบุญทาําทางทา ง, ท, างที่เราปรารถนาไว้แต่จะได้บุญจริงๆก็ต่อเมื่อเราเอาไปบริจาค ตอนที่เราสะสมไว้มันก็ยังเป็นการเตรียมการอยู่นังนเองเพราะเราอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้หรือบุญบุญยังไม่ไปถึงผู้รับก็ได้มันก็ยังไม่เกิดผล ข, ขึ้นมาแท้จริงเจ้าค่ะมีคำถามจากคนอ่อนอุมาการกรวดน้ำอุทิศให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตได้ไหมคะเขาไม่นิยมหรอกเพราะว่าบุญนี้ที่ส่งไปให้คนตายนี้มันน้อยมาก ถ้าคนเป็นนี้ก็เอาของไปให้เขาเลยจะดีกว่าเช่นเราเอาเงินทําบุญร้อยบาทนี่ยบุญที่เราได้จากการทําบุญร้อยบาทนี้อาจจะอุทิศได้แค่เพียงสิบบาทแต่ถ้าเราอยากให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้ได้รับผลบุญของคินได้เงินทองแล้วก็เอาเงินทองร้อยบาทนี้ไปให้เขาไปเลยเจาค่ะมีคําถามจากคุณปุ้ยพีหนีเที่ยวกราบเรียนถามครับถ้าเราไม่มีกับข้าวใส่บาท แต่เราใส่เป็นปัจจัยแทนจะได้บุญเท่ากับการใส่ข้าวไหมครับได้แต่มันต้องมีขั้นตอนที่ถูกตามพระวินยัยคือพระจะไม่รับไม่สามารถรับกับมือได้ถ้าเป็นเงินทองต้องฝากลูกศิษย์ไว้มีลูกศิษย์เดินตามมาก็บอกถามหลวงพ่อว่าคนนี้ฝากเงินให้หลวงพ่อได้ไหมถ้าฝากได้ก็ฝากกับคนนี้ไว้เดี๋ยวกลับวัดหลวงพ่อก็จะได้เอาเงินนี้ไปถ้าอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อมาได้ จากคุณเพชรตะวันเจ้าค่ะตอนดูลมหายใจดูที่ปลายจมูกหรือดูเลยไปถึงท้องคะเราดูที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าลมออกดูที่ปลายจมูกเวลามันสัมผัสเข้าออกอย่างนี้ต้องจ่ออยู่ที่จุดเดียวจิตจะได้นิ่งอนั่งสมาธิเพื่อทำให้จิตนิ่งแต่ถ้าจิตยังเคลื่อนไปเคลื่อนมาตามลมอยู่มันก็จะไม่นิ่งต้องเลือกเอาจุดใดจุดหนึ่งที่ท้องก็ได้ที่ที่ปลายจมูกก็ได้ แล้วแต่ว่าเราเห็นว่าเราถนัดอันไหนถ้าเห็นลมชัดที่หน้าท้องก็เข้าดูที่หน้าท้องดูมันยุบเข้ายุบหนอพองหนอไปก็ ไ, ปได้คำถามจากคุณชะลาลัยกราบเยนถามพระอาจารการสวดมนต์บทสัน้นบทยาวได้บุญต่างกาันหรือไม่เจ้าคะถ้าบทยาวถ้ามันอยู่ที่สวดนานหรือไม่านานแล้วสวดมีสติหรือไม่มีสติ สวดต้องมีสติก็คือต้องอยู่กับการสวดอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสติแล้วสวดได้นานก็จะได้บุญมากกว่าสวดสวดสวดไม่นานถึงแม้จะมีสติก็ตามแต่ถ้าสวดแบบไม่มีสติอะไนี่ต่อให้สวดนานเท่าไหร่ก็ไม่ได้บุญเลยเพราะมันใจไม่สงบค่ะคำถามจากคุณหนูหนูยินกราบนมัมสการขอรับ การ น, นั่งสมาธิรู้สึกลมหายใจภาวนาพุทโธจะรู้สึกว่ามีมวลอยู่ที่กลางอกเมื่อเราไปสนใจมันจะรู้สึกมีน้ำหนักและแน่น ан, มีทางแก้ไขอย่างไรบ้างครับแต่เมื่อใช้ชีวิตประจำวันจะไม่รู้สึกครับก็อย่าไปสนใจมันให้สนใจอยู่กับพุทโธอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามตามรู้อย่าไปสนใจให้กลับมาอยู่ที่พุทโธอยู่อยู่ที่ลมอย่างเดียว จากคนหนึ่งหรือไทยเจ้าค่ะกลับในวัฏสงการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนที่นั่งสมาธิบ่อยครั้งจะเกิดอาการตัวยโยกหลุดออกมาจากสมาธิเองต้องแก้ไขอย่างไรให้นั่งสมาธิได้นานขึ้นเจ้าค่ะสติมันน้อยไปสติไม่มีกําลังที่จะควบคุมใจต้องฝึกสติให้มากขึ้นก่อนก่อนที่จะมานั่งพยายามฝึกสติบ่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็ฝึกสติไปเรื่อยๆคอยควบคุมความคิดอย่าให้ใจคิดเรือเ่อยเปื่อย แล้วเวลานั่งสมาธิจะมีสติมากจะทําให้ใจนิ่งไม่ร่างกายไม่เคลื่อนไหจจวจักุนจะรู้ว่าจิตขณะที่นิ่งสงบในสมาธิคือจิตแท้ๆใช่ไหมคะฮะว่าไหมจิตขณะที่นิ่งสงบในสมาธิคือจิตแท้ๆใช่ไหมคะก็เป็นจิตตัวเดียวกันนั่นแหละตัวที่สงบก็ไม่สงบก็ก็ตัวเดียวกันคือจิต คำถามจากคุณรุตเราบริกา ร, รพุทโธไปแล้วพุทโธหายคนเราไปจับอยู่ที่กับลมหายใจรู้สึกว่าลมหายใจหายละเอียดลงถ้ามีลมจับก็จับไปเรื่อยๆจับไปจนกว่าถ้าลมหายก็ให้จับดูที่ความว่างไปแทนอย่าให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆอย่าให้มันไปไหนให้อยู่กับความว่างไป คำถามจากคุณนางฟ้าคืนเดียวอยากทราบว่าการที่เราถูกเจ้านี้สาบแช่งโดยที่เรายังทํางานหาเงินใช้นี่เขาอยู่แบบนี้เราจะเป็นไปตามคํำสาบแช่งของเขาไหมคะไม่เป็นหรอกเราจะเป็นอะไรไม่เป็นอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่การการสราบแช่งหรือการสรรเสริญเงยินยอ คุณเพาแก้วกิ่งถามมาว่าการทําบุญด้วยการทําคุณงามความดีต่อสังคมจะได้บุญหรือไม่ครับได้ถ้ามีประโยชน์เกิดขึ้นก็ได้ได้บุญทําให้คนอื่นก็มีความสุขได้ประโยชน์จากการกระทําของเราเช่นเป็นบริจิตอาสาทํางานโดยที่ไม่ได้ใช้เงินใช้ทองแต่ไม่เรียกเงินเรียกทองทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นอาสาสมัคร คำถามจากคุณวัฒนาค่ะตอนทําบุญหรือใส่บาตรเราควรวางใจแบบไหนเจ้าหาขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะเขาปล่อยวางว่าของที่เราให้ไปไม่ใช่เป็นของเราแล้วผู้รับจะไปทําอะไรก็เรื่องของเขาไปอย่าไปตามดูว่าเขาไปกินหรือเปล่ า, าไปใช้หรือเปล่าหรือเขาจะไปให้ใครหรือเปล่าอันนี้ต้องปล่อยวางนะถือว่าไม่ใช่เป็นของของเราแล้วอืม คำถามจากคุณ a อดีการนั่งสมาธิต้องให้ได้อัปปนาก่อนหรือจะพิจารณาทางปัญญาเรื่องไตรักได้ไปตอนออกจากกันนั่งหรือเรานั่งนิ่งได้บ้างบางขณะแต่ยังไม่ได้อัปปนาเราสามารถพิจารณาไตารักตอนออกจากสมาธิหรือจเจริญสติก่อนคะถ้ายังไม่ได้สมาธิแบบชำนาญกาฝึกสมาธิไปก่อนฝึกสติไปก่อนอย่าเพิ่งไปทางปัญญา พ่าถ้าไปคิดทางปัญญาแล้วเดี๋ยวจิตจะโคงสร้างขึ้นมาได้ <c oughs> จากคุณชลาลัยค่ะกราบเทียนถามพระอาจารย์แม่ให้ไปทำบุญแทนในวันพระปัจจัยข้าวและกับข้าวแม่เตรียมไว้ให้โยมและแม่ได้บุญเท่ากันรือไม้เจ้าค่ะได้บุญคนละอย่างกันแม่ได้บุญจากการเสียสละข้าวของเงินทองเราได้บุญจากการรับใช้แม่ที่เป็นบุญคนะอาย่างกัน คุณแพนด้าคุณกระต่ายถามเข้ามาว่ากราบนรรมสการค่ะเราสามารถทำบุญให้สุนัขที่ล่วงลับไปแล้วทางใดได้บ้างคะก็เนี่ยถ่ายบาปไปแล้วก็วอดทิศบุญไปให้สุนัขได้คาถามจากทางช่องด r V c h a n ร e วีชาแกราบนมัมสการพระอาจารย์ค่ะเราจะวางใจอย่างไรทำใจอย่างไรเมื่อเราถูกคนโกงเงินเราไปค่ะจะให้อภัยหรือคิดเมตตาเขายังไงดีคะ คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปก็แล้วกันหรือจะคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่ากนะ็ได้ชาติก่อนแล้วอาจจะไปโกงใครเข้ามาชาญนี้เขาเลยมาขอเอาคืนไปสักคุณรุ่งเรืองเจ้าค่ะต้องปฏิบัติอย่างไรจะไม่ทุกข์กับเรื่องความรักบ้างคะ อ, อ๋อต้องพิจารณาสุภาษ่วยว่าพิจารณาความไม่เที่ยงการพัาดพาดจากกัน เราเรือว่าจะต้องพลาดพากจากกันเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจจะได้ไม่ทุกข์กับเขาเวลาที่เขาจากเราไปหรือเวลาที่เขาเปลี่ยนไปจากที่เขาเคยรักเราเขาไม่รักเราแล้วนี้เราก็จะได้ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันเป็นของไม่ของชั่วคราวไม่แน่นอน มีคำถามจากกล่องข้อความจ้ะค่ะปกติจะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอใจจริงไม่อยากเกิดด้วยมีภารกิจทางโลกที่ต้องทำและมีแรงกระทบอยู่ไม่รู้ว่าจิตสุดท้ายก่อนตายกำลังจะถึงไหมขณะนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ควรตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรเพื่อให้หลุดพ้นหรือเมื่อตายให้ได้ไปอยู่บนสวรรค์ค่ะ ต้องตั้งกิจว่าจะขอปฏิบัติมากขึ้นศึกษาธรรมมากให้มากขึ้นอันนี้ล้วเราจะได้ไปทำตามที่เราตั้งใจไว้ไวันแล้วเลยมีของคุณหนูเย็นเจ้าค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับตอนเรานอนหลับพอขาขยับตัวขยับแล้วมักจะสะดุ้งตื่นยังไม่ ยังไม่ได้อัปนาตอนออกมาจากสมาธิเราสามารถฟังธรรมฟังธรรมเป็นสุตตะมยปัญญาก่อนได้ใช่ไหมคะได้ถ้าเราฟังธรรมมันก็เป็นสุตตะมยปัญญาไปตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะรอไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันไว้ค้างหน้า